<c oughs> เมื่อวานเนี่ยเขามาคนหนึ่งมาคนหนึ่งเป็นคนเสียจริตบ้างแล้วก็เออจะอยู่มาไววเราคนหนูเออแล้วคนหนูจะไปตกถ้ำตกเหวที่ไหนลูกปู่ก็รับรองไม่ได้บางทีบาทีอันตรายในระหว่างเพศก่อเพศนี่สำคัญมากในระหว่างเพศ ระหว่าเพศหญิงเพศชายเข้ า, ากันมาเพราะคนสมัยทุกวันนี้อัตคัดมาอยู่่นอัตคัดเหมือนกันอัตคัดหนึ่งมันเป็นที่ต่อพรมแดนต่อพรมแดนของมุกดาหารและยังวัดท่อเอ็ด พรมแด น, นของอำเภออด้วยพรมแด น, นของจังหวัดอีกด้วยที่นี่พวกทุติยจิต ก, ก็มีอยู่ทุกคนทุกแห่นี่เราข้อสําคัญทุติยิตแดนอื่นไม่สำคัญทุติยจิตในระหว่างเพศต่อเพศเป็นความสำคัญมากก็ระวังกางพึ่งกันนะ พระก็ลงไปดูยามข้างล่างอยู่เหมือนกันในระหว่างพระนี่ก็ภาพประมาณทั้งาทั้งเงินยี่สิบเด้อยสี่สิบเด้อยสามสิบเดือนนี่ยสี <40. S 1> 40. 40. 40. ่สิบสี่สิบกว่าข้างเรียนท่างข้างเรียนก็สี่บกว่าหรือ ถ้านี่ก็ทีคิบกว่ายาอย่างกันอยู่ทุกคนทุกแห่งเนี่ยก็พ่อโยมที่มารักษาศีล เขาอยู่ข้างล่างใช่ไห ม, มเขาเาอยู่ข้างล่าง okay, านั่นก่อน mm. พักดูไปหรือดูพฤติการซะก่อน mm. พักดูไปเป็มนวันซะก่อน mm. ว่ามันจะไปแถวไหน mm. ไปรอเขาไปพัก ภาวนาเพื่ภาวนาพุทโธเีมที่หนาบางก็เอาบางทีก็หที่วอานเอางวนอืเีกปานริก็เอานโมทตตอนทานรก่บานีร่องิา่ากห้มี่ตรจีระอวนอขารองยบโนามีเรื่องบายใจอื็้ตวยนาลาภาวน รวมพระเจ้าเข้าออกได้ภาวนาไหมก็เอานพระเจ้าเข้าพุทธท่าออกโตก็เอายุบแ้วฟองหนอ ตั้งสติไหวกับลมหายใจตั้งสติไหวกับท้องยุบหนอฟองหนอสังเกตอันนี้ยุบหน่อฟองหน่อ้วคำนั้นลมหายใจเข้าออกมันก็กําหนดลมที่มากระทบแห่งเดียวลมหายใจเข้ากระทบปลายจมูกลมหายใจออกกระทบปลายจมูกรัดอธิบายจมูกแห่งเดียวก็ถูกลมหายใจเข้ากระทบ เบรคพยายามด้านบนลมหายใจออกกระทบปลายจมูกจะรัดเอาเส้นก็ได้จะเอาลูกหน้องพองหน้องก็ได้บางทันมันเป็นปัญหาดอกเพราะมันตั้งสติยึดน้องพ้องน้องกับผูหนองมมีความหมาอันยาวนานกับพุทโธธรรมโสทโคหรอก็มีความห้าอันเดียวกันรับสติหน้องต้องไปชั้นยหนอความรู้ตัวมัมีอันหมายความหมาอันเดียวกันยึดหนองพองหนอ สติหนอยุทหนอพอหนอสติหนอทรัพยัญญะรูปตัวหนอก็มีความหมายอันเดียวกันพุทโธหนอธรรมโอหนอทั้งโธหนอก็มีความหมายอันเดียวกันกุศลผลบุญหนอก็มีความหมายอันเดียวกันภาวนาหนอก็มีความหมายอันเดียวกันทุกหนอก็มีความหมายอันเดียวกันอริจังหนออรตตาหนอไม่ใช่เรามันใช่เขาหนอก็มีความหมายอันเดียวกัน มันขึ้นอยู่กับปัญญาของเราที่จะพิจารณาอันนูนนี่เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมารวมกันในสมรถะของเราแล้วเกิดหนอเก็บหนอตายหนอก็ถูกเหมือนกันเพราะเกิดแก่เก็บตายมันมีอยู่ทุกอรมณ์ให้ใจเขาออกเปืยหนอเน่าหนอมันก็ถูกเหมือนกันเพราะมันมีอยู่ทุกอรมณ์ให้ใจเขาออกเนักผลไมาพหนอมันก็มีความหมายอันเดียวกัน เพราะมันมีอุกความหายใจเข้าออ ก, ท, ก <st> ing, ทุกอย่างสิ่งทุกอย่างไม่มีทุกความหาใจเข้าออกแล้วก็ถูกเหมือนกันไม่ได้พิษดอกอันนี้จังหนอทุกขังหนอ อ, อนัตตาหนอมันก็ถูกเหมือนกันพ้ามันเป็นทุกมันจึงหายใจเข้าออกเพราะมันไม่เที่ยงมันจึงหายใจเข้าออกมันไม่ใช่เรามไม่ใช่เขาไม่ใช่บุคคลเป็นเทสักว่ะรมเข้าลมออกเป็นเทสาวะจิตเป็นเทสักว่าูรู้ผู้รู้เขาไม่ใช่เราจิ ต, ต ก, ก็ไม่ใช่เร า, เ, ราเป็นเทสัะวะจิต รบก็ไม่ใช่เราสติสัพชัญญะก็เป็นแต่สักว่าสติสัพชัญญะมี่อยู่ในตัวในตนในเราในเขาในสามในบุคคลที่เราสมมุติใช่กันโดยใจความสมมุต oh ng, มิทั oh ng, th ăm, th i, ang, ้งหลายก็เป็นของว่าเพราะว่ามีใครเป็นเจ้าของมีมุดทั้งหลายก็เป็นของว่าเพราะไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่เท่นั้นทำทั้งหลายจะเป็นของว่าทั้งสองฝ่ายทั้งสมมุติและไม่มุติด้วยใช้ได้หมดขอให้จับสติให้ดี เราจะยุบหนอพองหน่อก็ให้สติอยู่ในที่นั่นสิ่งที่ไม่รู้มันรู้เองมันเราจะเห็นในมิตรอะไรมาก็ตามนนมิตรภูมิในมิตรคนในมิตรเมืองสวรรค์นิพพานอะไรก็ตามนารกก็ตามสวรรค์ก็ตามเกิดขึ้ น, นแป ล, ปล้วแปรปวนแต่สลายทางนั้นในมิตรก็แปลว่าเครื่องหมายหมายไว้ในกองนามรู้หมายทุกวันนี่หมายมันมีอยู่สองหมาย มหมายไว้ในกองนามลูกหมายไว้ในน้ำฝอยลมของขนและฟัทนทั้นนงด้ากระดูกเย้นะกระดูกมากหพรใจถ้าบางสูตรกตะป๋อนถ้าใหญ่ใช้น้อยอันว่นาเก่าเรียกววามหมายไว้ในธาตดินหมาไหมายไว้ในของแข็งเรียกว่ามหมายไว้ในธาตดินมหมายไว้ในสิ่งที่เหลวที่ซึมซาบก็ามหมายไว้ในซาบง่ามดีเสดี่นร้องเรือนนะบางคนทางตาเปา็นวานนในมุกบงคนก่ อ, อมตุต้น หมายไว้ในลมพัดขึ้นบนบนลมกัดลงมาตามลมในต้องลมในชาติลมพัดไปลำตัวไม่จะเข้าลมพัดใจออกก็เรียกว่ามหมายไว้ในชาลมไฟที่ยังกายให้อุ่นไฟที่ยังกายชุดรวไฟที่ยางกายให้โผล่กระวายไฟที่เผาอาหารในร่าก็เรียกว่ามหมายไว้ในาตไฟโดยใจความก็คือหมายไว้ในกองนาลูกโดยใจความเสียงทั้งหลายเหล่านี้รวมรวมอยู่ในอนิจจังเปะแนนปลกวาอะแตกกรายถ้าหมายไว้ในอนิจจังเขาเรียกว่าพิจนาอนิจจตาเป็นอารมณ์ พุทโธหมดไม่ได้ผิดดอกพุทโธสอนให้รู้กจะเกิดแก่เจ็บตายสอนให้ลู ก, ก, ก, ก, ก, ใ, หลกให้เห็นโทษในเกิดในแก่ในเจ็บในตายให้เห็นโทษในความเป็นเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอตาเห็นโทษในความโลคโกรธหลงธโมฯเขาทรงไว้อันนั้นสังโฆเขาปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากโลคกโกรธหลงพุทโธแปลว่าละชั่วำทำดีธมโมแปลว่าทรงไว้ซึ่งละชั่วทำดี ทั้งของแปลวปฏิบัติและเั่าทำดีก็มีความหมายอันเดียวกันต้องเข้าโรงฟังใชเข้าหอกถูกว่าใครจะภาวนาอะไรก็ถูกตามท่านตามจิตของใครของมันของอันเดียวกันคนหนึ่งพิจารณาไปอันหนึ่งคนหนึ่งพิจารณาไปอันหนึ่งอาทิแท้ก็เกิดดับเหมือนกันผู้พิจารณาคือกายสังขารจิตตาสังขารมณีสังขารผู้ได้ทำชั้นสูง จิตของเรามันต้องบริกรรมอยู่ครับที่ทำอะไร บ, บริกรรมบริกรรมต้องกับอยู่ถ้าจะบริกรรมว่ายุบหนอพองหนอก็ให้อยู่กับยุบหนอพองหนออยู่เสมอเจึงจะได้ผลถ้าจะภาวนาพุโทโธก็อยู่กับพุโทโธจะไปจับนั่นจับนี่เดี๋ยงเพื่อนนั่นเพื่อนนี้ก็ไม่ถูกอีกแล้วก็มาอยู่ล้ว เพมันยังไม่ทํางานคำว่าบริกรรมกํากับอยู่เรียกว่าบริกรรมกํากับอยู่กับงานอันนั้นข้องานอันนั้นยังไม่เสร็จยังไม่รู้ตามเจริงของงานอันนั้นงานอันหนึ่งยังไม่เสร็จก็ไปทํางานอันหนึ่งอันงานอันหนึ่งยังไม่เสร็จก็ไปทำงานนี้ตกลงก็ไม่ได e uh, e. ้งาสักงานเลยอันนั้นก็ไม่ถูกอันั้นเราจะเจริญจะมาทานอันไหนก็ให้เห็นคุณในอันนั้นเสียก่อนเอย่เพิ่งไปเจริญอันอื่น เราเจริญพุทโธก็เห็นคุณในพุทโธเส่นก่อนเ้าเจริญในธรรมโมก็เห็นคุณในธรรมโมหเส่นก่อนเราเจริญในสังโฆก็เห็นคุณในสังโฆเส่นก่อนทดลองพุทโธธรรมโอสังโฆหากจะกลมเกลืนเป็นอันเดียวกันยุบหน่อพองหนอพุทโธหน่อธรรมโมหนอสังโฆหนอก็มีความหมายอันเดียวกันสติหนอสมาธิหน่อความอู่ตัวหนอ ก็มีความหมายอันเดียวกัน่ะยุกหนอพองหนออะไรก็ดีปติหนอสมาธิหนอให้ตั้งมั่นอยู่ในยุบหนอพองหนอก็มีความหมายอันเดียวกันแลน อ, อ, อแลไะไม่เพีนดอกให้ให้ใจเข้ากรพองให้ใจออกก็ยุบ ถ้าถ้าที่ไอ้กับที่ท้องที่สะดือตัวนั่นลูกน้องพ่อหน่ออถ้าไม่ตั้งไว้ในที่นั้นตั้งไว้กำลมผ่านก็เวลาลมหายใจเข้ามันผ่านเพดานด้าน บ, าบนเย็นเฉยเฉยอยู่แลมหายใจออกก็ผ่านปลายจมูกถ้าจะตั้งไว้ที่นั่นก็ถูกเหมือนกันถ้าจะไม่ตั้งไว้ที่นั่นตั้งไว้ที่หลอดลมก็ถูก ลมไม่ผ่านหลอดลมลมออกไม่ผ่านหลอดลมจะไปผ่านที่ไหนก็จ้องมาที่นั่นก็ถูกลมไม่ผ่านปลายจมูกจะไปผ่านที่ไหนลมออกไม่ผ่านปลายจมูกลมเข้าจะไม่ผ่านปลายจมูกจะไปผ่านที่ไหนตั้งไว้ที่นั่นก็ถูกเหมือนกันจะตามลมไปหรือไม่ตามเขาเป็นปัญหาลมออกยาวเข้ายาวจะตามลมหรือไม่ตามลมเขาเป็นปัญหาแต่ความทำานความแมันลูกของมันเอง รบกำลังเข้ายังไม่ออกแล้วก็ไม่หมายรบกำลังออกไม่เข้าเราก็ไม่หมายแต่เรืความชำนาญมันรู้ล่ลวงหน้าแล้วสมาธิแป่ว่าแปลว่าตั้งมั่นไว้ในกรรมฐานที่เราตั้งชาแนงแปลว่าเพ่องอยู่ในกรรมฐานที่เราตั้งไว้มีความหมายอะไรกัน ศีลแปลว่าต like ัดศิลลงในที hmm. ่เราตั้งทิที่กรรมฐานที่เราเพ่งเราวิจารณาสมาธิแปลว่าตั้งมั่นในกรรมฐานที่เราตั้งไว้ปัญญาแปลว่ารับรู้ในกรรมฐานที่เราตั้งไว้ก็มีความหมายอันเดียวกันโตลงศีลสมาธิปัญญาเขาอยู่ที่แห่งเดียวกันเหมือนเราเห็นหน้ากันเมื่อเห็นหน้าเราก็เห็นตาเห็นจมูกด้วยแต่เราพูดเราสอนราว่าเห็นหน้าเฉย แต่ว่าเห็นทั้งหน้าทั้งตาทั้งจมู้งแก้มแต่ว่าเราพูดเราสอนเราว่าเคยเห็นหน้าฉันอยู่ว่า่า น, นฉันได้ก็เลยเราบอได้การพูดโชก็เห็นทางธโมทมัศน์อยู่ในตัวด้วยเช่นเราจาหนังมันก็ถูกทั้งเนื้อทั้งกระดูกแต่ว่ามันถูกแต่หนังแล้วก็โง่เกินไปถ้าเราทำปั้นตีดินอย่างนี้มันก็ถูกทั้งน้าําทั้งไฟทั้งลมเพราะดีน้ําไฟลมมันอยู่ด้วยกัน ถ้ามานมีน้ำดินก็ตั้งอยู่ไม่ได้ถ้ามานไม่ไม่ไม่มีดินน้าก็ตั้งอยู่ไม่ได้แต่ดินเป็นลักษณะของแข็งถ้ามามีน้ำปั้นไหวมันก็ไม่แข็งเหมือนกันเช่นเหล็กแต่ละก้อนละก้อนเราไปเผาก็ไปน้าออกเหมือนกันมันก็มีทั้งท่าไฟเหมือนกันไม้ก็เหมือนกันเราไปเผาก็ไปน้ำเหมือนกันก็มีท่าน้าต้มอยู่ ในระหว่างช่องว่างของมันมันก็มีธาตุลมเหมือนกันที่มัสีกันไยงนมันก็มีธาตุไฟเหมือนกันนั่นต่อแสดงให้เห็นว่าที่หน้าไฟลมมันอยู่ด้วยกันเป็นเพียงเราแยกออกเพื่อให้มันชัดเฉยเฉยเช่นนั้นเรื่อเอกระดูกมันก็อยู่ด้วยกันอาศัยซึ่งกันและกันเราแยกออกเพื่อให้มันดูจักชัดเฉยเฉยหรอกเช่นพุทโธธรรมโอสังโฆก็อยู่ด้วยกัน แล้วแยกออกเพื่อให้ชัดค่ากระเทือกสามเกลียวพุทโธแปลว่าผู้ลู่ทำโมแปลทรงไม่เชื่อพุทโธังคอแปลว่าปฏิบัติผู้รู้แต่ว่ารู่ละชั่วทำดีไม่ใช่ลู่ไม่มีขอบเขตพุทูธนะพุทโทรธทำโมสังโภก็เป็นพุทโธที่มีขอบเขตสีที่แม้เ ป, เ, ป เ, ปเป็นเป็นเป็นประโยชน์เราเขาไม่รู้ สิ่งที่เป็นประโยชน์เราจึเอามารู้เอามานึกมาคิดแต่ถ้าหาว่าจิตดาาฉลาดสิ่งนั้นก็เป็นประโยชน์หมดเรานึกถึงอุจจระอย่างนี้แล้วก็นึกถึงเบือ่อทั้งหนายของมันมันมีลักษณะที่เหม็นบูราอย่างนี้มันก็เป็นประโยชน์เหมือนกัน <S <S <S <S แเรานึกถึงปัจจัยสี่อย่างนี้ปัจจัยสี่เป็นเครื่องอาศัยวัตรพล เม่อใดว่าจะมาเป็นเปรตเป็นผีเพราะปัจจัยสี่อยู่นี่ยถ้าเรานึกอย่างนี้เราก็นึกนึกถูกไม่ใช่เรานึกผิดเพราะเราไม่ได้นึกเมื่อใดติดอยู่ในปัจจัยสี่สาหรับ เ, เครื่องมือเปลียนพจนะะ lottery, ์เฉยๆเมื่อใดว่าจะตายแล้วจะมาเป็นเปรตเพราะปัจจัยสี่ อ, อยู่เมื่อเรานึกอย่างนี้นเขาเรียวกว่าเรานึกถูกอืที่อยู่ที่อาศัยก็เหมือนกันไม่ใช่เราจะมาเป็นเปรตเฝ้าอยูนี่เราอาศัยปฏิบัติเพื่ อ, ข, อขับคนจากความหลวงทาง ก็จะไม่มาลงดินหน้าพัดลมเองลักษณะสิ่งเหล่นานี้มันอยู่ในธาตุดินน้ำน้ำาตาดไฟพัดลมแล้วสมบัติพระนาของเราที่เราใช้เป็นผ้าผ่อนทุอนสบายก็ดีเป็นอะไรก็ดีเป็นอย่างนี้ก็ดีเป็นเทพเป็นทับอย่างนี้ก็ดีลักษณะอันที่เป็นของแข็งเข า, า เ, เรียกว่าเป็นธาตุดินที่พัดไปมาเขาเรียกว่าธาตุลมที่ว่างเขาเรียกว่าธาตุอากาศช่องว่างม่ได้ปากไม่ได้หูช่องหูช่องปากช่องจมูกเขเรียกว่าอากาศธาตุ มันช่องว่างในกายฉะนั้นนี่มันเกิดขึ้นนี้วมันก็ไปป้วนนี้แต่สลายเหมือนกันดินก็แตกไปเป็นดินน้ําแต่กไปเป็นน้ําไฟแต่กไปเป็นไฟลมแต่กไปเป็นลมแล้วก็ตั้งขึ้นอีกแล้วก็แตกลงไปอีกแตกลงไปอยู่ตามสภาพเดิมของใครเข้ามันแล้วก็เกิดขึ้นอีกแล้วก็แตกขึ้นอีกสลายเลงอีกมันเกิดขึ้นที่ใดมันก็สลายที่นั้นเครดิตของเรา เราเกิดที่หนังหุ้มอยู่โดยรอบเราก็แก่อยู่ที่หนังหุมอยู่โดยรอบเราก็เก็บอยู่ที่หนังหุ้มอยู่โดยรอบเราก็ตายจากที่หนังที่หุ้มอยู่โดยรอบเหมือนกันนั่นเกิดที่ใดก็สลายที่นั่นแก่ทีนั้นนอกจากทุกขมัมีเนจะเกิดขึ้นนอกจากทุกขมันมีเอ็นจะแปรปรวนนอกจากทุกข์มันมีเอ็รจะไปอันนี้มันก็เป็นวิปัสสนาปัญญาไม่ใช่สบายใจหัวตอ ทำไมเราจึงขัดทำเป็นสมาธิเพื่ออยากให้เห็นสังขาร น, นั่นเองสมาธิจะเป็นสังขานเหมือนกันก็เกิดดับเป็นมดกําลังก็ถอนออกมาเช่นเราพิจารณายกหนอพองหนออย่างนี้แหละหายใจก็ยกหนอพองหนอยกหนอพองหนอไม่เที่ยงหนอก็ อ, อันเดียวกันอม เราไปดูอะไรถ้าเรามายืนดูมันก็ไม่รับถ้าวิ่งดูมันก็ไม่ชัดเห็นุฉานั้นจึงทำสมาธิให้ยืนดูดูถ้าดูอันหนึ่งชัดละอันหนึ่งก็ชัดอีกเหมือนกันถ้าเราเห็นพุทโธชัดธรรมโมสัะโคมันก็ชัดอยู่ในอันเดียวกันถ้าเราเห็นยุบหนอพองหนอชัดเราก็เห็นไอ้นนจลางชัดเหมือนกั น, น, นเห็นทุกชัดเหมือนกัน ผู้ใดเป็นผู้บริกรรมว่ายุบเนอพองเนออยู่นั้นผู้ว่าบริกรรมว่ายุบเนอพองเนออยู่นั้นคําบริกรรมนั่นก็เกิดดับเหมือนกันเกิดดับก็คือตัวอนิจจังอันละเอียดคือวจีสังขารวิจิตตสังขารของนึกคิดนั่นอันเดียวกันถ้าเราพิจารณาเป็นม่แยกกันเลยเช่นเสียงอย่างนี้เหมือนกัน อะไรก็สมมติเพียงว่าเสียงเท่านั้นเช่นหูอย่างนี้พอดีอะไรก็สมมติว่าหูเท่านั้นเป็นแต่สักว่าหูเป็นแต่สักว่าเสียงเป็นแต่สักว่าจิตเป็นแต่สักว่ารู้ก็มีความหมายเดียวกันเป็นแต่สักว่านึกว่าคิดเป็นแต่สักว่าพูดเป็นแต่สักว่าฟังก็มีความหมายเดียวกันธรรมะชั้สูงอันนี้ เพรทุกถ right. ึงทุกอย่างมันมาเกิดมาพาดมันมาเกิดเองมันพาดเองมันเสื่อมไปเองเราก็รู้ตามเป็นจริงทั้งมันมาเกิดทั้งมันเกิดขึ้นทั้งมันแปรปวนทั้งมันดับไปทั้งขาดทั้งหลายหักเกิดขึ้นทั้งขารทั้งหลายหักแปารอากแปรพวนทั้งขาดทั้งหลายหักดับไปเมื่อเกิดขึ้นเราก็รู้ตามเป็นจริงเกิดขึ้นเมื่อแปรพวนอยู่เราก็เห็นแปรพวนอยู่เมื่อดับไปเราก็เห็นดับไปอยู่แล้วก็เกิดขึ้นอีกแล้วก็แปรปวนอีกแล้วก็ดับไปอีกอันนี้ เป็นรอบๆอย่างนี้ไม่มีการวังตืนเนี่ยมีด้านปัญญาด้านะเบือนายครายมองนะว่า้าต้องการเป็นวัดมาหลายวันแล้วออพูดเป็นเสียงเครือเสียงแหบเสียงเครือมาสามสี่วันแล้วมันต้องมีหลัก ต้องอาศัยหลักถ้าไม่อาศัยหลักมันก็เป็นว่าเชือขาดมันก็เป็นนุ่นน่นปลิวไปตามลมมันก็เป็นไม้อรอยน้ำาพรเป็นรถไม่มีเบีก เชื่อก็คือสติว่าที่มันไปมันเปลี่ยวไปเปลี่ยวมาหาล ม, ขมาเขาใหม่มันก็ค่อยๆ ค, ค, ค, ความนึกคิดนย่งเชื่อที่ผูกดึงอยู่ ก, ก็คือสติก็คือสมาธิที่เราบริกรรมอยู่ในกรรมฐานานั้น โคกระมือก็เหามาืกันถ้ามันมีเขราเราก็ใช้งานไม่ได้ก็มาฐานก็เหมือนกันถ้าม่นมีสติสัมปชัญญะเราก็ใช้ไม่ได้ไม่มีที่จับต้องมีสติอยู่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ต้องมีเมื่อสติมีอยู่ในที่ใดความรู้สมัมปชัญญะก็มีอยู่ในทีนั้นรู้ตัวรู้ตัวมีสติอยู่ในที่นั้น ทำเอวประคารมากสองอย่างสติความระลึกได้สัมผัญเชนะความรู้ตัวสติความระลึกได้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมัมผัสเชนะความรู้ตัวในกรรมฐานที่ตั้งไว้นั่งอันเดียวกันปัดไปพักนี่สาขาของหน้าไปทีนี้เราจะจะอยู่ไปกี่วันหรืออะไรเราจะฟังเหตุการณ์ดูเสียก่อน ว่ามันจะเป็นป่ายเพียงแค่ไหนาสำหรับญาติโยมก็ดีสำหรับปัญหาอะไรก็ดีสำหรับหลวงปู่มันก็แก่แล้วเพราะเก่งว่าจะรักษา ล, ลูกหลานไม่คุ่มพอลงไปข้างล่างเขาไม่ได้เนี่ยข้ามขึ้นมาเวลาลงไปลงไปได้ข้ามขึ้นมาถ้าหาวาลวงปู่ยังุงงงอยู่ในระหว่างสี่สิบห้าสิบหลวงปู่ก็ คงมีอำนาจกว่านี้เดี๋ยวนี้หลวงปู่ไปไหนไมได้แล้วมีอำนาจทางเดินทางรูทุกทุกของโลกาลานแต่ก่อนลวู่นั้นไม่ขั้นอายุสิสน้นสเวลากาคืนก็ต้องไปตรวจพระตรวจเนรอยู่เสมอตรวจตาประขาวให้ภาวนาบ้างใครไม่ภาวนาบ้างแ้วไม่ได้หากินทำไปตรวจเขาเราภาวนามากแล้วเราจึงไป ไม่ใช่ว่าพอถึงกลางคืนมาจะไปเที่ยวตรวจเอาความผิดของเขาอย่างนั้นไม่ใช่ลบนานแล้วพอนานานแล้วจะไปเที่ยวตรวจ ด, ด, ดูแต่ไม่ไปเป็นมันนานนานนิดกรังหนึ่งห้าหกวันกระชั่งหนึ่งนส้ามเรนแล้ ว, วพระพิสุเขาบอกว่าวันนี้หลวงปู่จะมาไหมหลวงปู่จะมามาเจาะมามองพวกเราไหม เขา จ, จนจนลงกันลงถามกันทายกันใครจะทายถูกใครจะไม่ถูกบางทีรบปูกหลอนลงไปแลวแต่เช้าหลอนลงไปสลาแต่เช้าใครบ้างจะเอาใจใส่ในการมาวัดกว่าก่อนเขาเรงผูกต้องรูปมัดได้เย็นใลรงผูมาหาพูด เวลาผมลงมาผมต้องการลงมาเช่าผมก็ลงมาเองผมต้องการลงมาพอดีผมก็ต้องลงมาไม่เป็นไม่ไม่เป็นหน้าที่จะไปผูกมัดผมท่านพูดอย่างนั้นผมอยากไปที่ไหนผมก็ต้องไปตอนกลางคืนผมมีสิทธิ์ที่จะดูแลหมูทุกวิธีทางท่านพูดอย่างนั้นอย่ว่าผูกมัดผมไว้ไม่ได้ท่านพูดอย่างนั้นหลวงปูม่มันจริงกับท่านเอ่ะทำไมมันท่านมาไม่ถูกย่าม ทำไมไม่ถูกการถูกเวลาอย่างนี้แต่ว่าสําหรับแม่ขาวทําให้ไปถ้าไปท่านงปภีมีหมูมีผู้ถ้ามันไปคนเดียวแล้วแม่ขาวมันอยู่คนวะที่ียบแคเดนมันอยู่ใกล้กันมันอยู่คนละวัดภาคทุ่งมันไอยู่ในวัดรวมกันหลวงปู่มั่นก็เหมืันกันทำไมหลวงปู่บั่นก็เขาอยู่คนละคนคนละแห่งคนละฟากบ้าน เวลาเข้าขเขาจึงมาอยู่ในวัดรวมกันทุกวันนี้ไม่มีไม่ไม่มีเหมือนสมัยของผู้บ้าน <c oughs> จะพักกับเขาไปไปตรงหน้าตรงไหนเนอะไปไปดูไปแค่บอ่อนว่ามันจะไปยังไงต่ อ, อยังไง นี่มันเป็นที่อัตคัดอัตคัดว่าไม่ไม่เหมือนดินลาบอัตคัดทุกอย่างใอโอ้พเท่าที่มีอยู่ถามเขาเข า, าที่มาอยู่ก่อนพรว่าําอะไรก็ทำตามเขาเนะี่ะ เขาพาทําอะไรก็พาตามเขาเรื่องอาหารก็มียังไงก็ทําอย่างนั้นแหละมันไม่มีกบเขือล็อกปูก็กินได้ล็อกปูไม่ได้ลําบากในเรื่องกินเรื่องอยู่ล็อกปูไม่ลําบากมีตะข้าวเ ข, า, ขาชันได้ไมนได้มุ่งอะไรต่ออะไรมากหรกที่มีพระมากองค์มาก็เลยอนุโลมอยากระตุ้นที่ใช้หรอกแต่ก่อนแต่ก่อนล็อกปูเขาไม่ได้ลําบากกับการอยู่กันกิน อะไรเนอะถามเขานั่นก็ได้หนอกเขาเคยทำข้าหุงวิธีไหนอะไรทำด้วยวิธีใดแล้วเขาถามเขาัมนเป็นไรเอืะเพราะที่เขาอยู่ด้วยขาดได้ไหมขาด โด <pe> <ism> ย mm. <pe> นี้ก็พิโตมาราชการเทศสินก็พามาตรวจงานที่ทุนที่ยากกันเลยรถยกับมามายากไหมคันทามีฝุนละออกมากสะดวกสะดวกไม่งานตัวัน ว่าสวกยังไม่ทาห่ว่างานงานปีนีทางกรทรวประมาณประมาณเพราะก็ประมาณมาว่างบประมาณทางภาคใต้ด้วยแ ม, มงบต้องจัดเป็นต้องงบเพานั่นมัินปการจัดเป็นในตัวแล้วภาคใต้ อาหารปริาทาฐิทุกทุกเนการหากินหาใช้หาสอยในวัตตาทงสารอันนี้หลังุซฟาหน้าโุดินพระงโมงกา น, นเดินขึ้นมาเขาวิ่งต้ขอเขามากินสัพเพทัตตาอาหารัฏิทิการัดทั้งหลายมีอาหาร เ, เครื่องอยู่แล้กัการะะเรียการอาหารเรียตัวนี้ตัวอตัวราอาหารคือความข้าวพัฒน า, าอาหารคือสัมผัสจะกจสัมผัสโสตะสัมผัสกาณะสัมผัสชิวะสัมผัสกายะสัมผัสมัโนสัมผัส มันไปตะปุ่มมันไปสัมผัสกับลูกหูไปสัมผัสกับเสียงจมูกไปสัมผัสกับกลิ่นลิ้นไปสัมผัสกับรสกายไปสัมผัสกับโสดพะใจไปสัมผัสกับธรรมารมนี่จัดเป็นอาหารของสัตว์เหมือนกัน เพรับสัมผัสอยู่ไม่มีการวันกงคืนหรือจะว่ารับโทรเลขอยู่ไม่มีการวันกลงคืนก็ว่าได้รับข่าวสารอยู่ไม่มีการวังคืนก็ว่าได้รับอะไรแล้วครับตารับสัมผัสกับรูปแล้วก็ส่งลงไปหาใจ ส่งโทรได้เรียกสวนว่าห า, ายใจหูเสียงกินรถโผฏภะพระธรรมลมก็เหมือนกันส่งลงถึงใจหมดใจมีงานทุกข์เขนมากไม่หยุดไม่หย่อนเดี๋ยวนึ ก, กรล้วคิดอันนี้นึกคิดตามอาดีตที่ล่วงมาอนาคตที่ยังม า, มาถึงปัจจุบันที่กำลังมันอยู่อดีตคืออะไรคือตาหจูจมูกล่างกายใจที่ล่วงไปแล้ว อนาคตคือตาหูจมูกลื่นกายใจพยมายามมาถึงปัจจุบันคือตาหูจมูกเลื่นกายใจที่กําลังเป็นอยู่ที่กําลังรับสัมผัสกันอยู่สัมผัสนั้นเป็นปัิกายให้เกิดเวทนาคือสุขว่างทุขว่างอุเบกขาบ้างมีชื่อตามยายกระนั้นภายในเป็นอกคือ จกูสัมผัสสาชาเวทนาโส ต, ตะสัมผัสสาชาเวทนาขานะสัมผัสสายชาเวทนาชิวหาสัมผัสสาชาเวทนากายสัมผัสสายชาเวทนามะโนสัมผัสสายชาเวทนาเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาเลยถ้าเป็นเวทนาสุขก็ถทะเยอทะยานในเวทนา เห็นรูปสวยเห็นรูปงามเกิดเป็นสุขเกิดเป็นเป็นเวทนาสุขนี่ก็กำนังในรูปเสียงเป็นต้นกลิ่นเป็นต้นเมื่อกำลัดในรูปก็เรียกว่าลูปตัตนากำนังในเสียงก็ ส, กกสกทศัตตหากำลัดในกลิ่นก็คันทะตัณหา กำนัดในรถพระศัสหากำนัดในโพธิพะก็คือโพธิพะตัสหากำนัดในธรรมารมมาขับทบใจก็เรียกว่าธรรมะตัสหารูปศาสนาจัทธะตัสหากันทะศาสหารัตตะศาสนาโพธิพะตัสหาธรรมะตัญหาทีนี้ก็วิตกวิจารรูปปะวิตกตัตวิตกกันทะวิตกรัตวิตกโพธิพะวิตกธรรมะวิตก รูปะวิจารธรรมวิจารสัตววิจารคันธวิจารและสาวิจารโสตภะวิจารธรรมวิจารทั้งหลายวนเวียนอยู่นี่อยู่ในโลกกจำนวนนี่นักชังของก็เกิดขึ้นที่นี่สวยสุขทุกข์เบีขาก็เกิดขึ้นในที่นี้วนเวียนอยู่อุปนิสขัน ท่านพูพ่นไปแล้วท่านก็รู้ตามไปจริงด้วยปฏิบัติตามไปจริงด้วยรุดพ่นจากความหลงของเจ้าของตามเปนจริงด้วยทั้งหกเหล่านี้ย่นลงมาเป็นสองตาหูจมูกเล่นกายเลื่อนลงมา เป็นลูกขันใจย่นลงมาเป็นนามขันย่นลงมาเป็นลูกประท่าก็ว่าย่นลงมาเป็นนามะท่าก็ว่าย่นลงมาเป็นลูกประโลกก็ว่าย่นลงมาเป็นนามะโลกก็ว่าย่นลงมาเป็นลูกสังขารก็ว่าย่นลงมาเป็นอารูปสังขารก็ว่าเกิดขึ้นแล้วเปรอะเปรอแล้วแตกสลายเหมือนกันนะบุตรอำนาจอันนี้จัง ทุกสิ่งทุกอย่างมีคุณเป็นมหาหัตไม่โทษเป็นอนัมคุณและโทษทั้งหลายรวมลงมาหาจิตใจหมดคุณได้รับโทษก็คือใจผู้ได้รับคุณก็คือใจโทษและคุณใจเป็นผู้สร้างขึ้นใ่เป็นผู้รับผิดชอบคนเดียว ตาหูจ่าจมูกรีนตายมีหน้าที่ส่งก็ส่งไปแม่รับผิด ช, ชอบด้วย ร, รับรูปแล้วมีหน้าที่ส่งก็ส่งลงถึงใจหูไปรับเสียงมีหน้าที่ส่งก็ส่งไปสัมผัสไปหาส่วนที่จะพิจารณาถูกหรือผิดขึ้นอยู่กับพยาจยิตตราดนะขึ้นอยู่กับจิตกับใจ ทั้งหลายก็เทยทยานอยู่ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยอดีตคืออะไรที่ล่วงไปแล้วคือตาหองจมูกลิ้นกายใจที่ล่วงไปแล้วอนาคตคืออะไรคือตาหองจมูกลิ้นกายใจที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคืออะไรคือตาหองจมูกลิ้นกายใจที่กำลังเป็นอยู่อดีตคืออะไรคือรูปขันที่ล่วงไปแล้ว ลกขันนามขันที่ลวกไปแล้วอนาคตคืออะไรลูกขันนามขันที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคืออะไรคือลูกขันที่ราวขันที่กําลังเป็นอยู่อดีตคืออะไรคือความเทเยอสยานหรือไม่เทเยอสยานล่วงไปแล้วอนาคตคืออะไรความเทเยอสยานที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคืออะไรคือความเทเยอสยานที่กําลังเป็นอยู่ ผู้มีเลสเทีส่วนผู้ผู้ที่ไม่มีเลตอดีตก็เป็นอดีตวั น, นล้วนอนาคตก็เป็นอนาคตวันล้วนไม่มีทิศ ม, มีสิงมีสุขอะไรนะทะความของพุทธศาสน า, ศ า, ศาไม่นิยมว่าผู้หญิงผู้ชายมีข้อมัยอันเดียวกันข้า ก, กับเกลือ ไม่ไดยมว่าเพศหญิงเพศชายใครไปคิด ก, ก็ต้องรู้จักว่าเค็มหมดเพลิตรวเหือนกันใครไปคิปดูก็รู้จักาพาะเผ็ดหมดเือนแย่ใส่ลิ้นพิการภระาพิการน้ำตาลเข้เหมือนกันใครไปคิด ก, ก็ว่าหวานหมดไม่ได้ยมเพศธรรมะของพวารรมบริสุสตระเาเหมือนกันบาบก็เหมือนกันบุญก็เหมือนกัน ใครทําก็ต้องเป็นบาปหมดใครทําก็ต้องเป็นบุญหมดถ้าถูกเนืเรื่องของมันเป็นบุญถ้าถูกเนืเรื่องเขามันเป็นบาปมันก็ต้องเป็นบาปจะไปจัดให้มันเป็นบุญมันก็เป็นไม่ได้เช่นต้นบริเวรเอย่างนี้แล้วปลูกขึ้นจะไปใส่ชื่อเรือนามมันเป็นของหวานมันก็ไม่ได้มันไม่ตรงข้อควจริงของมันมันไม่ตรงข้อเหตุของพืชมันมันก็ต้องเป็นของขมอยู่นั่นเอง ผมมีนาตะไคคนแก่ตคร้ปุ๋ยหกับเป็นค น, นเข้าเจ้าทรงอะไรอย่างี้จะเป็นที่ว่าเป็นรูประสาทหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับปุี้เข้าเจ้าทรง อ, อยู่ทงเรื่องกับโรคเท่นประสาทอาา่ะฮะคือเข้าเจ้าทรงไม่คล่ดเป็นของจริงหรอกาวันนี้เพราะเหตุใดเพราะเหตุว่า อุปสรรคมันมีมากทุกวันเนี่เมื่ออุปสรรคมีมากความคิดปรุงแต่งแห่งคิตใจก็มีมากอควา ม, า ม, มาวามิตกวิจการอันนั้นบ้างอันนี้บ้างสมประสงค์บ้างไม่สมผรสมบ้างมันก็เลยวุ่นหัวใจอย่างนี้อารมณ์ก็ไม่ดีความเครีพก็ฝุ่นเครืองทุกวันเนี่ยแล้ว อ, อย่างผีเข้าเจ้าทรง ก็มีจริงข้าพุท ธ, ธการก็มีจริงแต่พุทธกแก้ธรรมก็มีพุทธแก้ธรรก็มีพุทธมีจริงก็มีเช่นครู่าอาจารย์ที่ท่านเข้าสู่ค ا ิพานไปแล้วจะมากลาวตัวว่าท่านมาเข้าทรงอย่างนั้นก็ไม่ถูกเช่นท่านไปพรมมาโลกแล้วจะมากล่าวตัวว่าท่านมาเข้าทรงมันก็ไม่ถูกเช่นผีอันอื่นมาแลกหน้าแล้วเอาหน้าของท่านมาแลกว่าเข้า ถ้าค่ายเขาว่าหมูไปทํานาหมาก็ไปเหยียบรอยแสดงว่าอย่างอีหรือเทพหรือทมอะก็ยังยังมีโอกาสมาเขทรงมั้มีมีโอกาสอ <days> ยู <hanya S 1> ่เหมืนกันม <spe> so <stages> ีโอกาสเพราะพวกนี้มีเกลียดอยู่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่มีโอกาสมาทรงแต่พระราหันจะพวกนี้เอาแต่ว่าพวกนี้ถ้าไปอยู่ในภพมโลกแล้วเขามาได้มาแล้ว พวกที่อยู่ตามนรกอยู่ตามถ้ำตามเหวหรืออยู่ตามแผ่นดินอยู่ในมนุษย์โลกจะมาได้เพวกที่อยู่ในพรหมโลกเราไม่มาเรอกพวกที่อยู่ในนรกก็ไม่มามาไม่ได้ไม่มีโอกาสที่จะมาพวกเป็นสัตว์ที่รชารเนี่ยก็มาไม่ได้เพราะไม่มีโอกาสที่จะมา ถูกพวกปรีศาสตร์แล้วก็พวกปรีศาสตร์พวกปรีศาสตร์สาสตร์ตัวนี้เข้าจะจอจารใช่ไหมสาสตรณะนี่ลัธิลาใช่ไหมอืมอืมลัทา คุณหนูพูดท่าอีสานฟังออกไหมออกค่ะกเคยอยู่จังหวัดสกลนครมาสี่ปีแล้วก็ท<อ>านเป็นเข็ดมาอีสานโดยตลอดะคะอ่ะฟัอีสานได้สบายฟัได้แต่ว่าพูดยังพูดยังไม่เป็นไม่เป็ น, ป น, นข้าวเหนียวทานได้ไหมชอบค่ะชอบนะผีมันมีจริง บาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำผีไม่มีแก่ผู้ไม่ถือผัวเมียไม่มีแก่ผู้ยอมเป็นโสตฮึฮทวงวะผีนี่จะไม่มีทําหรับผู้ที่ไม่ถือถูกทำไมเป็นอย่างนั้นเขาไม่ถือมันก็ไม่มีเพราะมันไม่มาหาเขาคำว่าไม่ถือไม่ถือไม่คิดไม่ ใจถือก็มีผียังฝรับงเจ้ถือมันมียังฝรังมัน่าเนี่ยมันไม่นับถือผีก็ไม่เห็นมีผเเหมือนเหมือนอะไรที่ผมพูดเมื่อกอนอ๋อถ้านับีมัก็อยู่ที่ใจเราจะเป็นยไีก็อยู่ที่ใจแล้วผีก็ต้องไล่ออกจากใจใจถือเป็นทุกข์ขี้เกียจก็ขี้เกียจก็ต้องไล่ออกจากใจลืมชั่วราเขต้องไล่ออกจากใ สบบุหี่เาทั้งแรกออกจากกายคนตายสูงมาเป็นผมเไปทางาในในชนบท น, บนนะครับซี่งหนึ่งนี่คนละขั้ถนนซี่งหนึ่งนี้เป็นพวกนักศึกษาศาสนาที่รบปรับเข้าม า, างเสริมบ้านนี้เจริญรุ่งเรืองมากมีโรงเรียนซี่งหนึ่งเป็นนักศึกษาบ้านนี้ทางภาคเหนมีผีมีผีกายมีผีปีศาีเสือผีเข้ากันเตนบ้ากใ น, นบ้านนี้ไม่มีผีทามาเดยนนะ พวกถือศาสนพุทธถือผีใช่ไหมพวกถือศาสนพุทธแท้ไม่มีผีถือพุทธบ้างถือพราหม์บ้างก็ต้องมีผีถือผีบ้างศาสนาผีบ้างศาสนาพระบ้างศาสนาพุทธบ้างก็ต้องมีผีนี่ในเวลาบางทีก็ถือว่าพุทธบางทีก็ถือว่าผีบางทีก็ถือว่าพรามณ์อะไรต่ออะไรแต่พุทธแท้มันมีผีไม่ได้ถือผีถึงจะมีก็ตามไม่ถือมัน พูดถึงว่าพุทธธรรมผสมกับผีไหมเข้ามาสิงผู้ที่ไมถึงว่าพุทธธรรมผสมผีมาสิงใช่แล้วไม่ใชงผีมันมีอยู่เคอทุกนะพข้ใจผือลูกปูลูกปูลูกปูไล่ไล่ผีให้ด้วย เออไล่ผีก็ต้องไล้ออกจากใจลูกๆเอ๋ยผีมันไม่มันไม่อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่ใจถ้าใจเราไม่ถือมันก็ไม่มาอยู่หรอกเหมือนญาติพี่น้องของเราไม่พุ่นไม่เชื่อมันก็ไม่มาหาฤทธิ์สาสามรมายาตีความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งจะเป็นญาติสักเพียงไหนก็ตามถ้าความไม่คุ้นเคยก็ไม่ไปหากันถูกไหมอ่า ว่าถ้าเราคุ in, ้นเคยกับมันมันก็มาหาเราเองเหมือนกันเพราะอารมณ์ของเราดึงมันมามีชั่วมีพระนะฮะแบบพระที่บอกว่าสามารถนั่งสมาธิได้แล้วติดต่อกับเส้นกับโทมแล้วเป็นร่างทรงมโนนิสสามารถบอกนิมิตเป็นเลขเป็นอะไรนี้ที่ว่าจะตัวเชื่อถือได้ มันเป็นเซยศาสตร์เชื่อถือไม่ได้ถึงจะบอกไรก็ตามก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างเลขแต่เขามาได้ไปนั่งภาวนาบางทีเขาก็ถูกอยู่เขาไปซื้อเช่นขี้คู่ขี้คู่อย่างนี้ก็มาได้เห็นใครจะมาทำงานทายทักให้บางทีเขาก็ถูกอยู่สองประตูทา้านักบุญกันขี้คู่ขี้คู่อยู่ ก็ชิ้หายหมันกัง น, นี่ทางร้อยประตูมันเป็นทางชิบหายร้ประตูทางอบายามุคคพมมกพระพุทธศาสนาไม่ส่งเสริมทางเกียรติข้ามพระพุทธศาสนาก็ไม่ส่งเสริมสินท่าจัดเข้าในอบายามุกหมดอบายามุกยังมีอีกครบเม็ชั่วก็จะเป็นอบายามุก ไม่ชักชวนดื่มน้ำเมาชักชวนเที่ยวกลางคืนชักชวนให้มอเมาในการเล่นชักชวนเล่นการพานังมิดดักเลี้ยงหญิงมิดดักเลงสุรานักเลงเล่นการพานังเรานี่จัดเป็นอบายมุขทางนั่งมุขะแปลว่าิชายซึ่งหน้าซ้นง่า มุขขะก็แปลว่าหน้าชิบหายอยู่ซึ่งหน้า <c oughs> ไม่มีสารอุทธร <c oughs> ไม่ใช่ยาพิษเครือบน้ำตาลยาพิษตรงๆอันนี้เพราะพระบอกใบหวยมันไม่รู้จากความหมายของพระพุทธศาสนาฝันอย่างนั้นฝันอย่างนี้เออคงจะเป็นเลขอย่างนั้นคงจะเป็นเลขอย่างนี้ แมลงวันมันก็ฝันเหมือนกันเพราะมันฝันจินมูดจินพูดแมลงผู้มันก็ฝันเหมือนกันมันก็ฝันกินแกส้อนดอกไม้แมลงวีก็เหมือนกันนอนก็เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ฝันไม่มีโคกระบือมันก็นอนฝันมากินหญ้านั่นเรื่องฝันเอาเป็นประมาณไม่ได้ พระรหันต์ก็ฝันเหมือนกันแต่ไม่มีกิเลสนี่ยพระท้าพมารบุตรท่านก็ฝันเหมือนกันท่านก็บอกว่าเราเกิดมาอายุได้เจ็ดปีเราไม่ได้ฝันไปทางกรรมม า, มามารมณ์เลยนะเราไม่ได้ฝันไปในทางผู้หญิงเลยคือกา ม, มาม ร, รมณ์กามารมณ์หยาบๆกา ม, มารมณ์ผู้หญิงเอาะแล้ว นั่นจว่านิมิตเห็นเลขตัวแดงๆตัวนั่นตัวนี้แล้มันเกิเดขึนด้นจากมันก็ขึ้นจากความประสงค์ของเราปคงแต่งขึ้นคิดเอกคิดออกเมื่อเราคิดอันไหนมากมันก็ต้องไปหาอันนั้นแต่จริงหรือไม่จริงไม่ทราบอันนี้มันก็ไม่จริงเป็นส่วนมากบางทีเราคิดไปมันถูกก็มีมันผิดก็มีคลาค่ากระว่า ตาบอดนั้นชนเข็มถูกเป็นบางข้างเพราะคลำเอาตาบก็คาดก็ว่าตาบอดนั้นไปถ่ายถูกช่องก็เลยว่าฝันดีถ้าฝันดีไปตามความฝันดูสิเงินตั้งหมื่นล้านก็หมดไปไง พระบรบมาศาสดาปฏิเสธแล้วพระมารยาพูดเข่าข้างตัวเราสถาปน์เป็นพริพุทเจ้าทั้งหลายตั้งหมือนๆนั่นล่านเอา้ามาเล่นเอามาเล่นการพนันเอากีวรกันเอาบาทกันอย่างนี้ไม่ไม่ทางใดทางหนึ่งก็ไม่มีบาทไม่มีกีวรล์ละนั่นตงต้องมีคนเสีย <c oughs> มีคนได้ก็ <c oughs> ต้องเสีย ที่ดูดีๆนะหวยนี่เขาทําขึ้นทำไม<อ>เพื่อหาเงิน <c oughs> เพื่อหาเงินแล้ว <c oughs> เขาคิดดูแล้วว่าประตูได้มันมากกว่าประตูเสียเขาจึงตั้งขึ้นมาเพื่อหาเงินเราจะว่าประตูได้มากกว่าประตูเสียก็ถูกถ้าเราพิจารณาผิวผืนถ้าให้ลูกผู้พิจารณาลูกผู่บอกว่าประตูเสียล้วนๆมันมีประตูได้เลยเอ๋อสมมติว่ารัฐ บ, บาเลเจริญ ที่นี่ประชาชนจนหมดที่นี่ประชาชนไม่มีอยู่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่มีกินที่นี่มันก็บอกไม่ได้ใช่ไหมฟังเหมือนกันครูไหมั้องสู้ข้อต่อคูเหมือนกันประชาชนนะนเออสมมุติว่ารัฐบาลเป็นบิดามารดาประชาชนเป็นลูกเป็นหลานทีนี้เมื่อลูกหลานไม่มีกินลูกหลานก็ พ้นเวลามานามือนกันถูกไหมที่นี่สมมุติพ่อกับลูกใช่ไหมเงินอการพนันกันมาที่จะอยู่กับพ่อมดที่เงินลูกมามีลูกไมีลูกกับพ้นพ่ออย่างนั้นกันมาที่ก็ลูกอยู่กับลูกมดเนี่ยลูกไมมีพ่อกับพ้นลูกออืลูกมีพ่อก็พ้นลูกรัฐบาลกับประชาชนก็อันเดียวกันในเช่นนี้จงว่ามีทางชิพหายหน้าเดียว พวกที่เล่นเลขเล่นผาเล่นบัตรเล่นเบอร์ที่นี่พวกที่เล่นเล่นเลขเล่นผาเล่นบัตรเล่นเบอร์มันก็ปกของยากเนอะที่นเงินใต้โต๊ะมันมาเกิดมาจากอะไรมันก็เกิดมาจากเลขนี่แหละเพียงเซ็นห้าเขาพอแล้วไม่ต้องตั้งมากกรบกฎหมายถ้าโลกทั้งหลายมีเซ็นห้าบริบูรณ์แล้วนอกก็ไม่สะดุ้งผวา เพราะไม่มีเวรอยู่รอบข้าวเรือนจำก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีทหารก็ไม่ต้องมีถ้าชาวโลกมี ม, ม, ม, มีส้นหาบริบูรณ์หมดเรื่อว่าอรหัท่านรู้ในการงหน้าท่รู้รือว่าสิ่งนี้ผิดสิ่งนี้ถูกนั่นเอง ท่านรู้แล้วแต่เราไม่เป็นพระหันเราก็รู้อยู่แล้วนี่ออกตัวชิบหายเห็นเห็นในตำราแล้วก็เห็นว่าในที่อ่านที่อื่นเขาบอกว่าพระอรหันตท่านรู้เหตุการณ์โน่นนั่นหมดรู้หมด งงอ๋อทีนี้อัตมาจะย้อนถามพรุ๊กลูกหลาน<ม>ทิ้งฟืนใส่ไฟมันจะเป็นอะไร น, นั่น น, น, นั่น น, นั่นนั่นนั่น น, น, นี่พระขันโกรุรู้อย่างนั้นแหละเป็นพุทธชนเราก็รู้อย่างนั้นเล่นเล่นเล่นผ้าก็อันเดียวกันนี่ เมื่อเรารู้ชัดอย่างนั้นเราจะสงสัยไหมล่ะทีนี้เราไม่สงสัยนะเราไม่สงสัยทีนี้ทำกรรมใดเริดผลนั้นถูกเราทำเราทำกรรมชั่วเราจะเป็นปบรรยัติว่ากรรมดีมันก็ไม่ถูกเพราะบัญญัติไม่ถูกผลพานบัญญัติเข้าข้างตัวมันเหมือนนักฟาร์ก็ที่ว่ามีสติรู้มีสติรู้สติในทางโลกี สติในทางโลกุตระเอาเป็นประมาณได้สติในทางโลกีเอาเป็นประมาณไม่ได้เช่นนักมวยอย่างนี้เขาก็ไม่สติเหมือนกันใช่ไหมรู้จักวิธีหลบวิธีหลีกเหมือนกั น, น, นมันเป็นคนล <laughs> นนนะนนนอย <laughs> ่างลูกทหารก็หลบทุกถ้าทหารยัง ม, มีทุกข์บ้างครับก็มีแต่ธรรมยึดถือ ท, ท่านปล่อยทุกได้อานอนเอ๋ยอนนาน้ำมาให้เราดื่มเราเหี้ยน้ำนะัเราเหี้ยน้ำนักอานานะอ น, นเอย๋ยอนนาน้ำมาให้เราดื่มเอาผ้าสังขารติปูลงให้เป็นสี่ชั้ น, นเนอเพราะผ้าสังขารติมันเป็นสองชั้นแล้วทบเข้ามันก็เป็นสี่ชั้นที AS. อาน้ำมาให้เราดื่มเรากระหายนะักเราจะนอนเอ็งกายสักหน่อยงับความกังวรขวาย ถ้ไม่พูดอยางนั้นพานุนก็ไม่รู้จักไอ้ที่แท้กิจใจขององค์ท่านไม่มันป่องใสอยู่มันได้กไม่ได้กรเทือนพูดตามสมมติเฉยๆอย่างนั้นค่ะเาว่าอนุนเอ๋ยรถคันนี้มันหม้อน้ําของมันแห้งแล้วเธอไปดักน้ามาใส่ซักค่ะเขาพูดอย่างนั้นแ่ะแล้วมันก็เวียงมันยังค่ําแล้วมันจะพักก่อนจะ่อนเครื่องมันร้อนมันจะพักก่อนเครื่องมันจะปลอดค่ะเขาพูดอย่างนั้นแหละ ถูกถ้าเข้าในรดสมาบัติเหมือนกันออกมาก็รดูจังว่าหิวอืมหิวมากรัวหิวแต่ว่าจิตใจไม่เป็นทุกข์แต่ว่าร่างกายรู้จากว่าหิวเจ็บอยู่แต่ไม่เป็นทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์ใจแต่กายเป็นทุกข์อยู่เจ็บอยู่แต่ใจ ใช่ไม่เป็นทุกข์เพราะไม่ยึดถือเจ็บอยู่รู้จักเจ็บพระรหันไม่รู้จักเจ็บจะปวดก็พระรหันผีบ่าละเ็บอยู่เนาะนนน้ำทิ้มนก็่หนทุกข์ก็เจ็บแตไม่ทุกข์ถ้าอย่างนั้นใช้คว่าสภาพนิพานังปรามังสุกขัมนี่ก็หมายความว่าเจ็บก็รู้ว่าเจ็บสุขก็รู้ว่าสุขแต่ไม่ยึดถือเป็นอารม เร guerra, H, cards, ียกว่าพระรหัสเรียกว่านิพพานเป็นน <ask ill din using vocês> ิพพานตายนิพพานสองพระรหั์ที่มีชีวิตอยู่นี่เราพูดอยู่ส่วนพระรหัสที่ลมพานนี่มันหยัดไม่ขึ้นบไม่ขึ้นหยัดไม่ขึ้นบันหยัดได้แต่เพียงว่าทําอันไม่แปรไม่ปวนทาอันไม่เกิดไม่ดับทําอันไม่แก่เก็บตายไม่เกิดมากเกิดอีกเก็บอีกไม่มีเพราะไม่มีเสื่ออี้ไม่มีอันดับกัน พระอรหันต์ที่ยังไม่ตายมันต้องมีเก้าอี้กันโมกคลาบทก่อนก็ต้องนั่งเก้าอี้สูงโมกคลาพระพิบุต <laughs> รอพระพิบุตรก็เป็นอําดับกันนั่งเป็นอันดับพรรษากันเพราะยังไม่ตายแต่ว่าเมืม่อตายชิ้นลมฟานแล้วก็เป็นอันดับเดียวกันหมดทั้งพระสมณะทั้งพุทธเจ้าด้วยรสชาติที่ไม่มาเกิดมาแกมาเ ก, มาเ ก, มาเกิมาตายเป็นอันเดียวกันรสชาติที่ไม่รู้ไม่กลัวไม่ลงเป็นอันเดียวกันถคนปกติตายนี่ก็ต้องมาเกิดอี ก็ต้องมาเกิดไม่อันหนึ่งก็ต้องอันหนึ่งก็วิญญาณปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิที่จะกุญญาณชัตะวิญญาณขานะวิญญาณชีวะวิญญาณกายะวิญญาณเพราะยังไม่เบื่อหน่ายวิญญาณผมจะผูกวิญญาณน่นลงดินนได้ไหมลงเป็นตัวเดิกลับบ้านแต่ตัวเอวิญญาณผูกไว้ดินก็ถือว่าเราเป็นวิญญาณถือว่าวิญญาณเป็นเราถือว่าวิญญาณมีในเราถือว่าเรามีในวิญญาณที่ผมก็เลยจะตามหาวิญญาณ ผู้ถามก็เอามโนวิญญาณถามผู้ตอบก็เอามโนวิญญาณตอบก็พี่บ้าถามกันพี่บ้าตอบกันเหมือนกันละถูกไหมเวลาจุติที่ไหนก็มีวิญญาณที่นัมีแต่ไม่จุติมันก็มีอยู่แล้ววิญญาณผู้ถามกันอยู่อย่างนี้ก็เอามโนวิญญาณถามนผู้ตอบก็เอามโนวิญญาณตอบเดี๋ยวนี้เมื่อเมื่อสังสารแบบไอ้มโนมโนวิญญาณก็ต้องดบไปด้วย –สังานางรูปดับไปก่อนเวีนยานจึงดับไปะที่นั่นเองนามรูปดับไปก่อนนามรูปเวทนาสัญญาสังขารดับไปก่อนเวิินยานก็ดับไปนังณไฟดับไปก่อนควันก็ดับไปะที่นั่นเอง